คงพอแยกได้นะว่าอากุศลวิบากที่มันเป็นอกุศลวิบากที่ทำเวลาเห็นได้ยินแล้วก็เห็นตรงนี้วิญญาณหนะส่วนสัมปติชนะจิตมีหนึ่งสันติรณะมีหนึ่งส่วนที่เป็นผลของอกุศลวิบากที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มะนะเอามาอันหนึ่งคือไอสันติรณะตัวนี้ ที่เรามาเรียกว่าสันติรณะ น, นี่เรียกตามอะไรนะมเมเกย์บอกว่าเรียกตามกิจแต่ถ้าว่าตามชื่อเรียกชื่อเต็มเต็มาว่าอะเหตุกะวิบากมโนวิญญาณธาตุเนี่ยนะชื่อยาวมากนะเหตุกะแปลว่าไม่มีเหตุประกอบวิบากแปลว่าผลมโนวิญญาณ นะมโนวิญญาณธาตุก็คือมันไม่ใช่จกัจกขวิญญาณธาตุโสตาคานะชิวหากายมโนอ่ะมันเป็นประเภทมโนวิญญาณธาตุเนีนะ่ยเนีนะ่ยทีนี้ตัวตัวจิตตัวนี้เนี่ยนะทำกิจนะว่าโดยกิจเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาทำหนึ่งไนะปฏิสนธิได้สอง ครับผลของอ น, นก็คือผวังหลังจากภวังมาก็เรียกว่าจุติอันนี้นะคือคือมองชีวิตอันนี้ตอนเกิดตอนตายระหว่างนี้เรียกว่าดำรงอยู่ทิติ น, นทิติหรือประวัติ น, นก็ช่วงนี้ดำรงอยู่ แต่ทั้งหมดนี้ชื่อเรียกรวมๆ ว, ว่าอะไร อ, ะอีกในหนึ่งเรียกว่าอุปติภพเหนะ็อุปติภพอันนี้เฉพาะตรงนี้ก่อนเนะทั้งหมดนี้เรียกว่าอุปติภพในสมอย่างนี่นะปฏิสนธิภวังจุติเนี่ยถามว่าใครบ้างนรกเปรตอสุรกาย เดรัชานที่มาเป็นปฏิสนธิผวังจุติเนี่ยถือว่าเป็นผลมาจากผู้ที่อยู่ในภพนั้นนะ เ, เป็นจิตดวงนี้ทั้งนั้นเลยคืออเหตุกะวิบากมโนวิญญาณธาตุหรือที่เรียกว่าสัมปติชนสันติระนากิจนั่นแหละคือสันติรณนาคกิจนั่นเอ ง, เองแต่ก็ถามว่าถ้าของพวกเรา เราทั้งหลายที่เป็นสุขติเนี่ยนะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ตามอากุศลวิบากเหล่านี้ถามว่ามีให้ผลไหมบอกว่ามีเนี่ยนะ <c oughs> เช่นมีตอนไหนตอนเนี้ยตอนที่สัมปติชนกิจเกิดอย่างหนึ่ง <c oughs> กับตอนที่ตถาลมนณ ก, กิจเนี่ยนะเกิดที่รับอารมณ์ต่อจากชาว น, นะถามว่าอา้าพรหมเนี่ยยังยังเห็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่หรือ พรมเนี่ยยังฟังสิ่งที่ไม่ดีอยู่หรือบอกว่ายังว่าพรมก็ยังถูกด่าอยู่เนี่ยนะถามว่าพรมนี่ถูกด่ามีไหมมีเนี่ยนะมีเรื่องเนี่ยนะเรื่องพระโกกาลิกายนะนนะเนี่ยมีลูกจะไปตั้งชื่อนี่นี่กัตเทวทัพย่างจะไปตั้งเขาก็ไม่ค่อยตั้งอยู่แล้วนะเนี่ย ทีนี้พระโกกาลิกาเนี่ยเขาก็าด่าภาษารรบุตรเนี่ยนะด่าว่าภาษารรบุตรเนี่ยตอนเนี้ยเป็นคนเลวแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากแล้วก็เลยไปดา่าไปว่าไปกล่าวคํานี้กับพระพุทธเจ้าเพื่อจะทําลายภาษารรบุตรว่าภาษารรบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อก่อนทําตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษแต่ตอนเนี้ยเวียนกลับมาหาเป็นคนเลวมาเป็นคนมักมากแล้วเนี่ยนายเจตนาอันนั้นมีกําลังมาก เจตนาอันนั้นนะที่ธ้รทำมาเวทนิยกรรมนี่ให้ผลเลยเฉพาะพอพูดเสร็จตอนหน้าพระพุทธเจ้านะให้ผลว่าในกระดูกทุกส่วนของร่างกายนี่มันจะมีต่อมขึ้นเกิดเต็มไปหมดเลยเกิดต่อมแล้วมันค่อยแตกขึ้นเท่าเท่ากับตอนแรกก็เท่ากับเม็ดงาก่อนเนไพอจากเม็ดงาเขาโตขึ้นเป็นเม็ดอะไรดิ เป็นเท่าเม็ดถั่วเนี่ยนะจากเม็ดถั่วก็เท่ากับต่อขึ้นมาหน่อยก็ไมยมันนะแต่ว่าคํามไม่ก่อนเข้ามาาไ ม, ม่เขาเรียกไมยมเขาเรียกว่าพุทธสาเนี่ยนะตวกว่าพุทธส า, าอีกก็มาตูมมะตูมอ่อนแล้วก็มะตูมแก่แล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยก็เท่ากับอะไรขนุนขนุนลูกขนุนอ่อนเนี่ยนะ แล้วก็แตกแตกเหมือนอะไรเหมือนขนุนสุกมันแตกงั้น น, นะนะก็นอนจมบนใบตองกล้วยนะจากคำด่าอยู่ไม่กี่คำอ่ะเจตนาที่ไปด่าภา ษ, ษารีบทพระโมคคลานะตอนหน้าครุ่นคิดอยู่ตลอดแล้วไปกล่าวเสียดสีคำนี้อีกตอนหน้าพระพุทธเจ้าอ่านะกายวิญญาณเนี่ยเกิดหมดเลยเนี่ยนะก็คิดดูนะมันเริ่มปวดตั้งแต่เท่ า, มาเมล็ดง า, มมาเมล็ดมยมมาตูม หรือเป็นเท่าระดับขนุนออกแตกเละทั้งร่างกายเนี่ยนะมันถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลของทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมหมดเลยเพราะโทษของการประทุสร้ายกับผู้ไม่ประทุษร้ายว่าวาจาเ ย, ยี่ยงจอบเหมือนกันค่ะเดียนะขุดใครขุดตัวเองอะนะขุดคนพูดนั่นแหละทีนี้หลังจากหลังจากนั้นเนี่ยนะว มนุษย์ที่เข้าไปฟังธรรมอ่ะนะชาวบ้านเข้าไปฟังธรรมเข้าไปเห็นเขาก็สังเวชเขาก็พากันตําหนิอ่ะนะบอกโอ้ยทาไมไมันทําไมพระคือคือทำไมท่านทําตัวแบบนี้อ่ะนะทำไมปากท่านเป็นแบบนี้เสร็จแล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นอกุศลวิบากอย่างหนึ่งของพระโกกาลิกะแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอีก อ, อรักเทวดาก็จะเล่าอัะ น, นัน เสียงก็ไม่อยู่เฉพาะมนุษย์นะเทวดาที่รักษามนุษย์ก็ได้ยินเข้าก็จะโทนทนาต่อๆๆต่ตตตตกันไปอย่างเนี้ยจนถึงอกนิธพรม์เนะวิหาตปาสุทธศาสุทธศสีอกนิษฐาเขาบอกว่าเสียงดา่าพระโกกาลิิกาดังตลอดพรมมาโลกเลยนะไม่ใช่ถูกด่านะขนาดตั้งนานแลนะ้วทุกวันนี้ของมายังยกมาดา ย, ย, ายกมาโพรทนายบอกว่าทําไมเรวจริงๆเลย ทีนี้พรอมอ่ะนะพรอมชั้นสุดทาว่าชื่อว่าตุที่พรอมอ่ะนะตูที่พรอ ม, มเนี่ยที่เป็นอุปชาของท่านอะ่ะท่านเกิดเป็นพรอมพอท่านเกิดเป็นพรอมท่านก็นึกว่าเออถ้าเรายังอยู่นะคนอย่างเงี้ยอย่าได้ตกนรกเลยอย่าพึ่งเสื่อมะนะอุปชานะอุปชาก็คิดกาเหมือนพ่อนะก็ เ, เหมือนก็สงสารลูกว่าทำไมลูกเราไม่เป็นอย่างเงี้ยนะก็จะไปสงเคราะห์ซะหน่อยพอไปลงเนี่ยนะพรอมมาเลย พอพรมมาถึงรัศมีมากไม่นะก็บอกว่าโกกาลิกา ok ท่านจงทําจิตให้เลื่อมใสเถิดเนี่ยนะจงทําจิตให้เลื่อมใสในภาษาดิบดุษฎีโมคขลานาภาษาริบดุษฎีโมคขลานะาาาานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักนะบอกท่านเป็นใครเหมืนกันถามเลยว่ท่านเป็นใค ร, ใครบอกว่าครับท่านเนี่ยตุทิพพรมณนะอุปชาของเธอ โอกาสเก็กเอา้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระอนาคามีไม่ใช่หรอือพระอนาคามีเขาไม่มาสู่โลกนี้กันหรอกท่านจงดูความผิดของตัวเองเหมือนกัน <c oughs> มาบอกคนอื่นทําไมโทษของตัวเองก็มีไม่เห็นหอย่างนัน พ, พุทธเจ้าพยากรณ์ว่าพระอนาคามีไม่มาสู่โลกนี้นะกบอกว่าลงมาก็ถูกได้นะท่านก็เลยสอนขนาดนั้นท่านก็เลยตํำหนิว่าการชมโทษของการชมคนที่ควรติติคนที่ควรชมก็มีผลเหมือนกันนะนะ การเสียพนันการไปเล่นการพนันเสียแพ้แล้วก็เสียทรัพย์หมดลูกหมดครอบครัวก็ยังไม่ได้มีโทษเท่ากับความชั่วทั้งหลายเหล่านี้เลยนะครัท่านก็ตำเหนืแล้วท่านก็จากไปที่พูดก็คือให้เห็นว่าพรมก็มีโสตะวิญญาณที่ไม่ดีเขาไม่ได้ชมหมดใช่ไหมก็ยังไม่ได้ยินฟังเขาด่าอยูทีนั้นนะแต่แต่ว่าพระโกกาลิกาเนี่ยที่จะทำมาเวทนียกรรมเนี่ยชัดดวงที่สองอะนนะขอไปดวงที่เจ็ดของแกนะ ให้ผลอะไรตกนรกเห็นไหมดวงที่เจ็นี่ให้ผลตติสนี่ในนรกก็บอกว่านรกชนิดไหนบอกปทุมนรกปทุมนี่แปลว่าดอกบัวเห็นไหมก็บอกว่าออดอกบัวดอกบัวบานนะ่ะนะมันบีบอยู่แถวนั้นแต่ว่ามันไม่ได้บานแบบบัวบูชาพระนะคนละบัวกันเห็นไหมก็บอกว่า ปฐุมนรกมันจะมีนรกที่ที่รองลงมาเช่นบุญทริ ก, รกนรกเนี่ยไหมบุญทริ ก, กะนรกเนี่ยนะไหก็ไล่นรกไปอย่างเงี้ยนะไม่ตาม่ากว่าเจ็ดชั้นน่ะแต่ก็บอกว่าถ้ายี่สิบบุญทริกนรกอะ่ะจะเท่ากับหนึ่งปฐุมนรกเนี้ยนะก็ยี่สิบรดมาเท่ากับอันนี้หนึ่งอ่ะนะลดลดไปอย่างเงี้ยเจ็ดครั้งแล้วหน่วยขึ้นทีแรกเขาบอกว่ากวียนบรรทุกงาของชาวมคตเนี่ยบรรทุกงา สมมติว่าบรรทุกงาเป็นตันนะนะร้อปีพันปีแสนปีเอาออกเม็ดหนึ่ง้ปีพันปีแสนปีเอาออกเม็ดหนึ่งเนี่ยหมดเนี่ยยังก็ยังไม่เท่าถึงหนึ่งพุทธะอะอัพุทธะอ่นนะยังไม่ถึงอัพุทธะยิอัพุทธะเป็นห น, นึ่งนิรธาเนี่ยนะอย่างเงี้ยไล่อย่างเี้ไยไปเรื่อยประมาณเจชั้นเนี่ยจนถึงบุญทริกถึงบุญธริก20บุญทริกเทก่ากับ1ปึ่งมนรกแล้วก็ไม่รู้อยู่กี่บัวก็ไม่รู้นะ ก็บอกว่าเจตนาตัวนั้นนหละนำเกิดในนรกเนี่ยยาวมากนะแล้วก็เล่าบรรยากาศในสูตรนั้นก็เล่าถึงบรรยากาศถึงโรรุวานรกเหมือนกันใช่หรนุวานรกเนี่เราก็เคยสวดมานั่นนะโรรุวามหาโรรุวาไอโรนุวานรกมันเป็นยังไงก็เพิ่งไปพบในรัวก็ไม่มีอะไรมากว่าในบรรยากาศห้องเนี่ยควันมันมันตลบอบอวนไปหมดเลยนะ เหมือนบ้านถูกไฟไหม้แล้วควันมันอบอย่างนั้นแหละมืดขนาดนั้นอ่ะนะแล้วคววัวนอบอ่ะนั่นแหละเรโรรุวานรกนันก็ใครที่สูบอะไรก็ไปสูบที่นั่นแะมีให้สูบไม่จำกัดเลยควนันอ่ะนั่นนี้วก็ผลของเจตนาเนี่ยทำให้ปฏิสนธิในนรกพ้นมาจากนรกก็เปรตพน้นบางทีก็มันก็วนขึ้นวนลงอย่างงี้ยนะ มันลักษณะนี้นานๆจะมีหลุดมานี้สักทีหนึ่งเหหลุดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะหลุดมาก็จะได้ทำชั่วจะได้เวียนกลับมาใหม่ก็วนๆอยู่แถวนี้แต่ว่าตัวที่มาปฏิสนธิในนรกเนี่ยนะก็เปรตอสุรกายสัตว์เดรัชานี่คืออุเบกขาสันติรณะซึ่งเป็นผลของอกุศลเนี่ยนะบาปเหล่านั้นไม่ใช่อยู่ที่ไหนไกลหรอกก็ที่มาจากไหนกายกรรม วจีกรรมและมะโนกรรมนั่นนะมีหลายท่านมาปารับว่าคนที่ไม่ค่อยลําบากทางกายบางอย่างเนี่ยกรรมที่เขาทํามากคืออะไรตอนนี้นะี่ยวจีกรรมเนี่ยนะมากนั่นะนะอันวจีกรรมนี่ก็บาปก็ง่ายบุญก็ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ก็แนะนํานะถ้าเธอจะพูดให้พูดอริยสัจนะนี่ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ก็พูดอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งตรัสรู้เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานแต่ถ้าไม่พูดคำเหล่านี้อะไรเกิดก็พูดภาษาไก่นะก็ได้ก็อะไรต่ไปไม่ดีอยู่แล้ว น, นะเพราะอากุศลวิบากทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากเนีย่ยนะเจตนาที่ไม่ดีอันนะอกุุลวิบากนี้ก็คงอกขวิบากเจ็ดก็คงเท่านี้ก่อนนะ ก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปถามคนที่เขาเงี ย, งยบๆ <c oughs> ของพรมนี้พรมเฉพาะสันติรณะอย่างเดียวถ้ามนุษย์ได้สองอย่างคื อ, อมนุษย์เนี่ยสันติรณะกับตาาอันนี้หมายถึงมนุษย์กับเทวดานะ ส่วนพรห ม, มนิสันติรณะอย่างเดียวเพราะว่าตถาลัมมณะไม่เกิดในกับพรห ม, มมับุคลเนี่ยตะไม่มีตถาลัมมณะจิตและก็พัก่อยนะหรือประเชทประเชดหนึ่งเนี่ยนะจิตาจตาวิภาคจิตตสังหาวิภาคการจำแนกจิตโดยย่อเนี่ยนะก็มาดูหน้าสี่สิบหกเลย ตอ ท, ที่อธิบายตอนนั้นก็เถียนภาพโครงสร้างให้ดูเนี่ยนะนะนี่ก็มาดูแบบคัมภีร์ท่านอาจารย์คือท่านพ่านนรุท ธ, ธาจารย์เนี่ยนะั้นจำแนกอกุศลทั้งสามอย่างโดยความต่างกันแห่งมูลเป็นสิบสองอย่างนะอนอกุศลมีสามอย่างใช่ไหมคือโลภะโทสะและโมหะเนี่ยนะคือ ถ้านับหนึ่งก็ได้คืออกุศลถ้านับสามก็คือว่าไปตามมูลคือโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลถ้ามูลเหล่านั้นอ่ะก็แบ่งเป็นสิบสองอย่างโดยความต่างแห่งอาการมีสัมปโยฆะเป็นต้นคือโดยเวทนาโดยทิฏฐิปฏิฆะอุทะจะวิจิกิจชานี่นะพอแบ่งตามนั้นไปก็เป็นสิบสองก็ บท น, นี้เมื่อจะแสดงอหตุกจิตทั้งหลายจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าอุเปคาสหคตังจากคูวิญญาณังในิดที่หน้าหน้าสีหน้า 4, ห้านะจะพูดถึงอากุโลจิอหตุกจิตที่ที่เป็นในอภิธรรมสังหะบอกว่า จากคูวิญญาณสหรคตด้วยอุเบคาถ้าชื่อเป็นภาษาบาลีเขาก็จะขึ้นอุเบคาก่อนอุเปคาสหคตังจากคูวิญญาณังเนี่ยนะอุเปคาสหคตังโสตวิญญาณังอุเปคาสหคตังคานาวิญญาณังอุเปคาสหคตังชิวหาวิญญาณังอุเปคาทุกขะสหคตังกายวิญญาณังเนี่ยนะ แล้วก็อุเปกขาสหกตังสัมปติชนะจิตตังแล้วก็อุเปขาสหกตังสันติรณ ะ, ะจิตตังพวกนี้ก็เป็นอากุศลวิบากเนี่ยนะถือว่าเป็นจิตที่เป็นผลของอากุศลเจตนา12บดวงเนี่ยนะเป็นผลของอากุศลเจตนาในวิบากที่เกิดที่จักแสดงต่อจากอากุศลเนี่ยถ้าแบ่งไปก็เป็นเจส่วน ที่แบ่งออกเป็นเจดนี้แบ่งตามอะไรก็บอกแบ่งตามธรรมะที่อาศัยหรือแบ่งตามวัตถุมีจากขู่วัตถุเป็นต้นอกุศลวิบากนี้แบ่งตามวัตถุเท่นเถาวิบากที่เกิดทางจากขูทวานก็เรียกว่าจากขูวิญญาณถ้าวิบากที่อาศัยจากโสตวัตถุเกิดเรียกว่าโสตวิญญาณอ ย, านะอย่างนี้เป็นต้นและความต่างแห่งกิจมีสัมปติชนะกิจเป็นต้นนะก็คือสัมปติชนะกับ สามตีรณนะก็คือเอากิตนั่นแหละมาตั้งเป็นชื่อจิตทีนี้เพิ่งทราบวินิจฉัยในอากุศลวิบากเจมีจกักขวิญญาณเป็นต้นต่อไป ว, ว่าวัตถุที่ชื่อว่าจากักขวเพราะอถาว่าบอกคือเป็นที่ตั้งอาศัยของจกักขวิญญาณดุจบอกอยู่ซึ่งรูปอันเสมอและไม่เสมออันนี้ความหมายของคาว่าจักขว์นะจักขว์นี้แปลว่าบอกเนี่ยนะตัวตัวจกักขวภาษาธะเนี่ยแปลว่าบอก บอกอะไรบอกรูปว่าบอกเหมือนกับรูปนี้มันเสมอไม่เสมอนะมันเป็นเหมือนกับตัวบอกกันนะแต่ถ้าไม่มีจักขคู่บอกนะสมมติถ้าเป็นคนตาบอดเกิดมาบอดเลยไม่มีอะไรบอกจะบอกทางอนะจะรู้ไ้ยอะไรสูงอะไรต่ำอะไรอะไรหน้าไปไม่หน้าไปเพราะฉะนั้นคาว่าจักขคู่ตาของเราเนี่ยมีความหมายว่าบอกอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่สองบอกว่าที่ชื่อว่าจักรู่ราถาว่าชอบแปลว่าชอบก็ได้คือเป็นดุดยินดีอยู่ซึ่งรูป ยิงอยู่สับว่าสับคือจักขธาตคือภาษาบาลีเนี่ยมันถ้ารากสับลึกๆมันแค่เรียกว่าธาตุธาตุนี้ไปบวกกับปัจจัยแล้วก็ไปบวกกับวิพัฒนแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับหลักไวยากรณ์ด้านอื่นอีกเยอะแยะไปหมด